วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลบันทึกประวัติวัดผาน Nam ย, ย้อยปัจจุบันวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่ีมหาวีโรได้ก่อสร้างวัดผาน Nam ย, ย้อยสําเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการเป็นประโยชน์ใหญ่แก่คณะสงฆ์ทางภาคอีสานทั้งฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัติเมื่อวันขึ้นหนึ่งข้าเดือนสิบสองปีฉลูตรงกับวันที่25พฤศจิกายน คุกรา 2,528 เป็นมันรวมกฐินสามัคคีทิวัดป่ากุงพระเทพวิสุทธิมงคลลุงกุศีมหาวีโรได้ปารบกับพี่ประชุมคณะสิทยาโนสิ์ว่าได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเป็นกรณีพิเศษและมาพิจารณาเห็นว่าครูบาอาจารย์สายอีสานผู้มีความรู้ระดับนักปราชญ์และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากสมควรสร้างถาวรวัตถุสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตรูปเหมือนของครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้มาศึกษาและสการะบูชาและเห็นว่าควรสร้างบนยอดเขาวัดผาน้ำย้อยหลวงปู่ศรีทนปราลบการสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลไว้อีกตอนหนึ่งว่า การสร้างพระมหาเจดีย์ที่ผ่าน้ำย้อยประชุมร่วมกันว่าจะมีการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเนื่องจากหมู่คณะในภาคอีสานสี่ภาคเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าอาวาสทุกวัดมีความเห็นพร้อมให้อาวัดผ่าน้ำย้อยเป็นศูนย์กลางในภาคอีสานพระท่านพนมนั้นก็อยู่ใกล้เข้าไปทางฝั่งลาวนู้นก็เลยมาเห็นดีที่ผ่าน้ำย้อยแต่แรกก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของหมู่คณะสงฆ์ในภาคอีสาน คนเขาคงไม่เข้าใจกันคงนึกว่าทางวัดสร้างเองแต่เรานั้นสร้างในนามของหมู่คณะไม่ทําเฉพาะวัดเราวัดเดียวทําแล้วมันก็เป็นส่วนรวมโดยเฉพาะในด้านพระพุทธศาสนาก็ทั่วกันไปหมดใครได้สร้างประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนรวมจะเป็นบันไดหรือหนทางนําไปสู่ความสุขความเจริญผลของการกระทําทั้งหลายนี้มันจะกลับมาสู่ตัวเราทั้งนั้นไม่ได้หนีไปทางอื่นทําให้คนอื่นก็จริง แต่มันก็กลับมาหาเราการกระทำทุกอย่างก็เป็นผลประโยชน์แก่ตัวของเรานั่นเองแหละฉะนั้นการกระทำเหล่านี้จะเป็นบันไดที่จะเดินไปสู่ความสุขชั้นสูงในวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2530ท่านได้ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตและพลเอกเฉวลวิตยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนั้นเป็นประธานกรรมการก่อสร้างเจดีฝ่ายพระวาทพระมหาเจดีชัยมงคลเป็นเจดีขนาดใหญ่คว า, ามกวา้างยาว101เมตรคว า, ามสูง109เมตรสร้างอยู่บนเขาเขียวมีเนื้อที่101ไร่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามบนหลังเขามีสภาพเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยป่าไม้นาน า, นาพันธุ์รอบภูเขา มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันคล้ายกำแพงธรรมชาติโอบล้อมไว้จึงส่งเสริมให้องค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลสูงโดดเด่นสวยสง่างามสามารถมองเห็นได้แต่ไกลหลายกิโลเมตรสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็นเกิดความซาบซึ้งรึ่งในความสวยงามยิ่งนักองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นศิลปะร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นศิลปะกลมกลืนระหว่างพระมหาปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม เป็นแนวศิลปะกลมกลืนยืนบนลวดลายสีสันหลากหลายสวยงามตามแบบสมัยครบถ้วนองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สูงตรงานภูมิฐานรายล้อมด้วยเจรีบริวารทั้งแปดทิศเรียงรายด้วยวิหารคตรอบองค์พระมหาเจดีย์ไว้อีกชั้นหนึ่งความยาวสา0พันห้ารอยเมตรรูปทรงพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นรูปแปดเหลี่ยมแบ่งเป็นเจ็ดชั้นตามลำดับเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆดังนี้ชั้นที่หนึ่ง เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออาสําหรับการประชุมต่างๆรอบฝาผนังด้านในจารึกนามผู้บริจาคสมทบทุนก่อสร้างเสากรอบมุมประตูหน้าต่างเพดานวิจิตร ด, ด้วยลวดลายหลากสีสวยงามชั้นที่2องจเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สําหรับประชุมปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการหรือสัมมนาทั่วไปฝาผนังทุกด้านติดตั้งรูปพุทธประวัติพระราชา ศิลปวิจิตรกรรมออกแบบลวดลายไทยทรงอีสานกรอบขอบริมคานเพดานดาดฟ้าเต็มไปด้วยความงามวิจิตระการตาป ร, รับตกแต่งด้วยสีทองทั้งทองแท้ทองบรอนสลับสีธรรมชาติเกือบทุกสีมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูเหลืองกาบบัวหงายบัวคว่ำลายไทยรองรับโยงใหญ่เต็มทุกซอกทุกมุมตกแต่งอย่างงดงามทั้งสิ้นมีรูปเทวดาต่างๆชูตะรปัดทรงดอกไม้เรียงรายตามแนวต่ําจากเพดานตลอดแนว มองโดยรอบแล้วเหมือนอยู่ในวิมานแดนสวรรค์ชั้นที่สามเป็นที่ปริสถานพระนาจาย์ปราดอิสานในอดีตเป็นรูปเหมือนจ้าสลักด้วยเห็นอ่อนและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปโนทั้งหมดให้ครบหนึ่งร้อยหนึ่งองค์วิจิตกรรมทุกแง่ทุกมุมจากดาดฟ้าถึงพื้นล้วนแต่สวยงามทั้งสิน้นชั้นที่สี่จัดไวเป็นพิพิธภัณฑสถาน แสดงวัดวาอารามตลอดจนสถานปฏิบัติสมสถะวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปู่ศรีมหาวีโรเคยบำเพ็ญมาตลอดหลายภรรษาพร้อมด้วยผลงานต่างๆของท่านโดยเฉพาะเพื่อประกาศให้โลกได้รู้ถึงถึงบุญญาบารมีของท่านบนกรอบระดับหน้าต่างใหญ่ๆทั้ง4ด้านจัดเป็นที่สถิตของพระพุทธรูปสี่ปางสูงหเมตรครึ่งชั้นที่หอยู่เหนือสุดบันไดร้อยขั้น เป็นห้องโถงรูประครังทองคำแปดเหลี่ยมแปดทิศแต่และมุมเหลี่ยมวางรูปลายไทยแนวตั้งมองคล้ายด้านกริดหรือทรงโคมไฟดอกบัวตูมตรงกลางเพดานเป็นศูนย์กลีบบัวคว่ําประดับด้วยทองคําแท้ลวดลายระยิบระยับเพื่อรองรับโคมไฟทองคําตรงกลางห้องเป็นเจดีย์เล็กที่มีลวดลายวิกิตพิสดารเพื่อเป็นที่ประทับฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุองค์มิ่งมหามงคลของพระมหาเจดีย์องค์เจดีย์ เป็นรูประฆังทองหรือบันลังทองบนฐานชุกชีช่องลมแต่ละด้านของห้องโถงมีรูปดอก บ, บัวตูมใหญ่มีลายไทยครอบทุกกรอบทองซึ่งความงดงามนี้เกินจะบรรยายเป็น อ, อนักษรศิลป์ได้โดยเฉพาะช่วงลานผนังแปดพิษภายในกรอบลายไทยทองคำนั้นระบายด้วยสีอ่อนๆทั้งสีฟ้าสีขาวเกืี่ยสีเทาจางหากต้องด้วยแสงไฟสลัวหรือแสงแดดอ่อนๆตอนรุ่งอรุณ จะมองดูคล้ายท้องฟ้าโปร่งในราตรีอันมืดมิดเบื้องบนของโดมชั้นห้าแบ่งเป็นชั้นที่6ถึง7แต่ไม่มีทางขึ้นเพราะป้องกันคนคิดผิดประทุษร้ายต่อทรัพย์สินอันล้ำค่าจึงสร้างเป็นเพียงองค์เจดีย์อันแข็งแรงป ร, ริมณฑลเพื่อเป็นฐานรองรับยอดสเสวตฉัตรทองคำแท้หนัก 4,750 บาทหรือประมาณ72กิโลกรัม้วยบุญญาบรารมีอันเหลือล้นของหลวงปู่ศรีมหาวีโร ทำให้การดำเนินงานทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีโดยมีโยมอุปถัมภ์คือคุณยายจินตนาชยกุลคุณวัสนาคุณชัชตารวานิศคุณวรยุกเกียรพันธ์เป็นกำลังศรัทธาใหญ่พร้อมทั้งศรัทธาชาวพุทธทุกหมู่เหล่าผลการก่อสร้างทั้งหมดจะให้เสร็จสมบูรณ์จริงคงต้องใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาทท่านพุทธศาสนิ ก, กชนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ปลูกฝังบา ร, รมีของตนไว้ขอเชิญร่วมทำบุญได้ตลอดเวลาหากมีโอกาส ขอเชิญไปสักกา ร, ระบูชาพุทธปูชนีเจ้สถานแห่งใหม่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลที่วัดพาน้ําทิพเทพประสิทธวนารามด้วยตนเองโดยสรุปแล้วพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาทา ร, รงวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากราสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเพื่อสาธุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในมรดกอันล้ำค่ายิ่งนี้ตราบชั่วนิรันดร